โลกหลานที่รักสำหรับวันนี้ก็มาพบ ก, กับโลกหลานตามปกติในเรืเ่องของมโหสถบัณฑิตเรื่องตอนที่เรามาปรากฏว่าท่านอาจารย์เสนกได้วางอุบายร่วมกันกับอิกสามอาจารย์หวังจะสังหารมโหสถบัณฑิต กับนามอมรพัญญาแุ้วยามลักเอาของของพระราชาไปแล้วก็สั่งให้คนใช้ไปขายแก่บ้านคนมโหสถแต่ถ้าว่าถ้าบ้านอื่นซื้อก็ห้ามขายแต่ว่านบ้านมโหสถซื้อให้หมอบไว้ทันที แล้วก็มากราบทูลพระราชาว่าเวลานี้พระองค์ไม่ต้องการจะทรงใช้ปิ่นทองปักประเสียและพระเจ้าค่ะมาจบลงตอนนี้ว่าพระราชาสัตวดว่าจริงสินาอาจารย์เราก็อยากจะว่าดับเหมือนกันนึงขอท่านช่วปนำมามันฑดตแลนวสีจะได้พากันไปดูไม่เห็น แตาจุลามุณีคือปินสนักตักปาินสนักตักป้าตักตตตตผมในสถานที่ที่เก็บกับดูพระราชาขอดีสามสิ่งก็มองไมาเห็นท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าตนขโมยไปไว้ใาชา้ที่ีรีบกราบพูนพระราชาสรงทราบว่าขอดีชะ ราชาพรทั้งสี่ประการ ค, คือพระจุลามณีพระสุวรรณมาราผ้าคำพนสหรับคุมที่พระบันทมเช่หลองพระบาทก็ทองก็หายไปจากที่เก็บพระพุยวค่ะราชาทรงกริ้วมากกริวกุ้โกรธ ที่มีผู้มัอาจข้าเป็นลักราชาพรคือเครื่องบรรดับของพระราชาอันเป็นของคู่ควรแก่กษัตริย์จึงนด้แต่ถามอาจารย์นักสีว่าผู้ท่านสงสัยใครบ้างที่บังอาจมาขโมยของทั้งเพียงนี้มันดาท่านมณิทั้งสียังกระาบทูลว่าขอเดชะ ตามที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระองค์ว่าไม่สมบรรลับพระจุลามณีหรือนั้นก็เพราะว่ามีเหตุผลที่กราบทูลได้่งทราบพระพุทธเจ้าข้าราชาจะในส่งตัดถามว่าที่ว่ามีเหตุน่ะมันมีเหตุอะไรขอให้จารพูดไปเร็วๆมันหลีกเจ้าสี่จะด้กราบทูลว่าขอนีเถิ ได้มีผู้ว่าบอกข้าพระพุทธเจ้าว่ามโหสถได้ น, นำเครื่องประดับเครราชคอนสีไปประดับพระเจ้าค่าขณะนี้ยังเก็บปฏิบาน <c oughs> นี่มันดาลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็จำไว้ <c oughs> ว่าคนที่มีความอิจฉาได้สียาคน ความจริงคนดีนี่ก็ต้องมีโทษมีความผิดในบางครัง้งบรรดาลูกหลานทั้นหลายอาจจะมีเรื่องราวอย่างมโหสดบ้างถ้าเราอยู่ดีๆแต่ถ้าว่ามีคนมาแกล้งเราฉะนั้นหากบรรดาลูกหลานทั้นหลายถูกเรื่องท่างหลายอย่างนี้เข้าก็จงทําตนอย่างโมโหสถเพื่อว่าใช้ปัญญากัน ตอนนี้นะคนทุกคนเลยมากมักจะพากันมาปรารบว่าอยชน์ดีๆก็ถูกกล่าวโทษถูกโจทย์ว่าเป็นคนทําความผิดเรื่องนี้ไม่ใช่มีน้อยรายมีนับเป็นหลายๆพันรายเป็นหลายหมื่นรายหรือว่าหลายแสนรายก็ได้มีมีรายหนึ่งอยู่เฉยๆใครเขาเปื้อนใครกันที่ไหนก็ไม่ทราบ เธอเป็นคนสุดจริตไม่เคยทำความผิดในตามกฎหมายแต่ได้ว่าถูกโจทย์มากล่างอ้าวว่าอ้าวว่าคนนี้ไปขโมยคนบานแล้วเธอก็ต้องสางติดคุกตราดาถึงยี่สิบปีนเรื่องอย่างนี้มีมากลูกหลานที่รักอย่ามาโหดสดบันดิตกักน เป็นคนซื่อสัตย์สุสจริตแต่ถ้าว่ามีความดีเกินกว่าอาจารย์ตามที่โบราณทุกล่าวว่าไม้สูงกว่าแม่ไม่จะแพ้ลมบนคนสูงกว่าคนไมจะต้อหักกลางคันแต่มันก็ไม่แน่นักแต่ว่าคนผู้นั้นถ้าเขามีปัญญาถ้ามีความสามารถ ก็อาจจะต้องมีค่าเกิงค่าบุคคลนี่แกล้งเขาให้ถยงอันตรายได้ฟังเรื่องราวต่อไปในนั้นว่กล่าวว่ามโหสถนี่ต้องคิดเป็นศัตรูพระองค์พยาค่ะหมายความว่ามโหสถนี่มรักของพระราชาไปแล้วก็ไปประดับไอเครื่องบระดับนี่เป็นของคู่บารมีของพระราชา ซึ่อคนอื่นจะแต่งไม่ได้จะสวมไม่ได้จะประดับกายไม่ได้เพราะว่าเป็นเครื่องยศของกษัตริย์แต่ถ้าว่าถ้ามโหสถทำอย่างนี้ก็สแสดงว่ามโหสถคิดจะเป็นพ ร, ระฤารุทายชาสเองแต่พูดง่ายๆเขาเรียมาคำบดใน้ยางสมัยนี้ที่เรียกว่าปฏิวัติหรือว่ารัฐบ า, าร การปฏิวัติหรือว่ารัฐบารถ้าทำไม่ได้ก็กลายเ ป, ป็นขบวไปถ้าทำได้เป็นผู้ชนะก็ถือว่าเป็นผู้มีอำนาจในการครองประเทศเล่าเรื่องของท่านต่อไปในขณะนั้นมีคนที่มโหสถสั่งส่งไปเคอฟังข่าวก็ได้มาส่งข่าวให้มโหสถทราบ มโหโสดได้ทราบขา่าวเชนนั้นจึงคิดว่าจะต้องไปเฝ้าพระราชาจึงจะรู้เรื่องแครแต่งตัวเสร็จแล้วก็มุ่งตรงไปยังสำนักของพระราชฐ า, านที่พระราชาประทับเมื่อพระราชาทรงทราบว่าโมโหโสดกำลังเขาจะเข้ามาเฝ้าแล้วยังทรงคริวเขา ย, ยังโกรธ จ, จรัด นย่ยังยังทรงกรดมโหสถอยู่มากมันยังกรดเต็มที่นะกับทรงระแวงว่ามโหสถอาจจะมาในทางไม่ดีไม่ร้ายหมายจะม่งทำร้ายพระองค์ก็เป็นได้จึงรักษาด้วยความพิร ธ, ธว่าอย่าให้มโหสถเข้ามาเฝ้าเป็นขัขาดเมื่อมโหสถทราบว่าพระราชาทรงคริวมาก และก็ไม่ยอมให้เข้าเฝ้าที่นีกลับไปบ้านเมื่อกลับไปถึงบ้านก็มีคนส่งข่าวว่าพระราชาสั่งให้จับจึงบอกกับนาหมอนว่าพี่ก็จะต้องออกจากเมืองนี้ไปชั่วคราวสิก่อนน้องคอยดูเหตุการณ์คอยแก้ไขอยู่ทำนี้ก็แล้วกันนี่เป็นอันว่าคนเขามีปัญญา ถ้าถูกจับมันก็มีทางที่จะแก้ตัวก็ต้องหลบไปก่อนให้ลูกหลานที่รักฟังเรื่องนี้ไว้เราึลถกงตัวไว้บ้างว่าสักวันหนึ่งเข้ามาเหตุการณ์ร้ายประเภทนี้อาจจะมีกับลูกันหลานกนไดเป็นของธรรมดาฉะนั้นถ้าหากว่าบาังเอิญเหตุประเภศนี้มีขึ้นจงทำตนอย่างมโหสถ แล้วก็ดูปัญญาของนามอนความจริงปัญญาของนามอนทันต์ตอนก่อ น, นที่บรรดาพวกนี้ไปขายขอ ง, ของเข า, ข เ, ขาขเขาสังเกตอยู่แล้ว เ, เป็นการรู้ตัวเะนั้นเราก็เลยจ่าสุนตัดว่าอปรมาดีนะสัมมาดิธาซึ่งแปลว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมความจริงมิเทรัก เรารักกันก็จริงแหละแต่ถ้าว่าอย่าไว้ใจคำว่าม่ว่าไม่ไว้ใจในที่นี้เราก็ไม่ได้คิดว่ามิจเจเป็นศัตรูเสมอไปแต่ว่าคนที่ยังมีความโลภยังมีความทะเยอทยานยังขับที่เขาเรียกผู้แทนรัศดรกันความจริงผู้แทน น, นัศดร เวลาที่เขามาหาเสียงเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้แทนของเราแต่ว่าพอเข้าไปก็อยากจะเป็นรัฐบาลอยากจะเป็นรัฐมนตรีมีสมัยหนึ่งที่นักแข่งแย่งกันเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีมีไม่กี่กตาแหน่งต้องแบ่งโค้ตากันเมื่อแบ่งโค้ตาแล้วคนที่ไม่ได้ก็ไม่ชอบใจ คนประเภทนี้ลูกหลานทั้งหลายเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเขาขาดสัจจะความจริงเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นผู้แทยของเราไปควบคุมรัฐบาลแต่ทั้มาเมื่อเข้าไปแลกแทนนี้เข้าให้ควบคุมรัฐบาลก็กลับเป็นรัฐบาลเองการเป็นรัฐบาลประเภทที่อยากจะเป็นเนื้อแกงแย่งกันเป็น การเป็นรัฐบาลอย่างนี้เป็นรัฐบาลที่ประกอบในความโลกเขาไม่้หวังหวังดีกับเรามีสมัยหนึ่งก่อนนานมาแล้ว <c oughs> อาจจะเป็นผ่านมาหลายร้อยปีกาได้มีคณะหนึ่งเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือคณะสองคณะสามติดต่อกันในสมัยนั้น ปรากฏว่าบ้านเมืองของเราย่อยยับมากเกือบจะทรงตัวอยู่ไม่ได้แต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นมาพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไปเขาก็ตะโกนบวกเ ว, วกบวกเวกว่าบ้านเมืองที่ทรงอยู่ได้เพราะเขาแต่แว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นทําเศรษฐกิจของประเทศชาติให้ย่อยยับประเทศของเรากําลังก้าวเข้าสู่ความดี แต่พวกทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาประเทศเราก็ป่นปี เ, เศรษฐกิจก็เพือกจะทรงตัวไม่รอดคนหลายแสนคนไม่มีงานทำต้องเข้าไปในปา่าเวลานี้หลวงปู่เองก็ทนองนำข้าวบ้างอาหารบ้างย า, ารักษาโรคบ้างเครื่องหนุ่ผมบ้างไปแจกจ่ายกับคนทั้งหลายพวกนั้นปีพศสองพันห้าหรอยยสเอ็ด เพียงปีเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทธรรมดาประชาชนร่วมกันมีศรัทธาบริจาครัร่วมกับธรรมบ่ายสุได้จี้หัวและคณะะคณรัฐ บ, บาลของท่านพลเอกเพียงสัสมนานทุนทรัพย์ที่ไปแ จ, จกจะบุคคลนั่งหลายเหล่านี้นั้นเฉพาะในสายของโปรสายเดียวก็ใช้เงินไปหลายล้านบาทคิดเป็นค่าของของนะ เรื <c oughs> ่องของที่ชาวบ้านชสเมืองช่วยกันมาคิดเป็นจำนวนหลายล้านบาทขั้นไปถามพวกนั้นเข้าว่าทำไมถึงต้องมาอยาู่ปามีที่ทำมาหากินกันคนไร้สองได้บ้างมีคนเจ็ดแปคนหากินไม่พอกินเขาก็บอกว่ามีรัฐบาลสมัยหนึ่งซึ่งพวกเขาท่านหลายมีงานทำมีเงินเดือนเป็นพัน ก็ได้ว่าตั้งแต่กระสันสั้นสิ้นมาอย่างนี้นั้นก็เพรงานท่างหลายเหล่านั้นมีรัฐบาลขณะนั้นทําลายไปเสียแต่เขาไม่ได้บอกว่ารัฐบาลคณะไหนอันนี้หลวงปู่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ไม่อยากจะถามว่ารัฐบาลคณะนั้นเป็นใครแตถือว่าถ้าพี่น้องของเราอดอยากเพียงใดถ้าเราไม่เกินความสามารถที่เราจะช่วยได้เราก็ช่วยกัน ดังนั้นในเวลานี้หลวงปู่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเมตตาปราณีกับท่านั้นหลาย้ะนันที่รับพระกรรมเช่นเดียวกันกับมโหสถตอนนี้ก็เล่าถึงมโหสถต่อไปเมื่อก่อนที่มโหสถจะไปก็แจ้งกันนาอมนว่าขอน้องจะอย่ทางนี้ก่อนเพื่อแก้ไขทางนี้ นางอมรก็ยอมรับว่าขอให้พี่ไปโดยปลอดภัยเถิดทางนี้เป็นภาระของน้องเป็นดูคนนะว่าเขาจะแก้มือ่อังไงเมื่อสถได้ปลอมตัวออกจากเมืองไปสู่ทางทิศบ้านยวะ ม, าามันจคามคือบ้านเดิมหาเลี้ยงชีพในทางเป็นในช่างหม่าอยู่ในตำบล น, นั้น มหายชนมาทราบว่ามโหสถบัณฑิตนี้ไปจึงเกิดความโกลาหลอุละมันกันยกใหญ่เสียงปริพาต์ปริเวทนาได้การสงสารมโหสถอยู่กันทั่วมเมืองบรรดาบัณฑิตทั้งสี่จึงได้ปลอบว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ทุกขึงมโหสถเลยคนร้ายรักเครื่องอาภรณ์ของระราชาคือของหลวงไป เราทั้งสี่เป็นมันฑดตอยู่ในราชสำนนักนี้มานานแล้วพอที่จะเป็นที่พึ่งของท่านนันหลายได้จงสมบใจกันเสถิดอย่าเดือดร้อนไปนี่เห็นไหมนะคนเลวนะเป็นแบบนี้ทั้งท่านที่เลวขนาดไหนก็ตามทีท้างสมภพเดิตไม่อยู่คนเดียว แถวบ้านก็มีความลําบากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทัะ้งมโหสถก็ดีและนามอนก็ดีเป็นคนมีความเมตตาปราณีมีสังขาวัตถุทั้งสี่คือหนึ่งการให้ในการสงเคราะห์ในวัตถุสองเวลาใครไปหามาโสก็ใช้วาจาอ่อนหวานทําให้ใจสบายสีมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์สามารถจะช่วยได้กําลังกายก็ช่วย ท่สามนะแล้วก็สี่คนทั้งสองคนนี้ไม่ถือตัวไม่ถือตน <S <S 1> <S 1> ไม่ได้คิดว่าตนเป็นคนที่ประราชาทรงโปรดรานเข้ากับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเป็นอั น, นว่าเมื่อหมอสดไปคราวนี้ชาวบ้านยังเสียใจมากคนดามาชนได้ฟังขรรมอาจารย์นาศีพูดดังนั้นก็ต่างคนต่างพากันไม่พอใจ แล้วก็มีเสียงโกนหร้องแสดงความเกลียดจังว่าไอ้เท่าสารพัดพิษเท่าสี่นี้มันคงจะสแสดงนิ ก, กรันแกลง้งโโหสดบัณฑิตอ่นเป็นที่รักของพวกเราเพราะว่าเขาเป็นที่พึ่นของเราเป็นอย่างดีแต่ว่าเจ้าเท่าทท้งสี่นี้พยายามหาทางอิจฉาที่สยายอยู่ตลอดมา ยังไม่พากันดาว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษทั้งสี่นี่โดพิษของมันนะที่หลวง ป, ปู่เรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษพิษมันมีพิษมากจริงๆหาทางทุกอย่างในการกั น, กนแกล้งของบุคคลผู้ทำความดี <c oughs> ความเลวของตัวนี้มันไม่ได้คิดขอลูกหลานทั้งหลายฟังแล้วก็จําไว้จําไว้แต่เฉพาะในได้ของความดี แต่ในด้า้ของความชั่วนี้คงดาโลกหลานทั้งหลายจงอย่าคิดปฏิบัติตามเลาเรื่องต่อไปเป็นนามว่าบัณฑิตทั้งสี่มาเห็นน า, อามอนอยู่แต่ผู้เดียวตาลก็คิดหมายมั่นปันเหมือนอยากจะได้นาหมอนมาเป็นพัญยาของตนของตนอาสินี่ข้าผัวมันเสียเอาเมียมันนะคิดอย่างนี้นะ คิดแย่ข้ามมโหสถปัญดิตด้เห็นหนามอนเป็นคนรูปงามมีวรนญาติดีมีปัญญา ด, ญญาดีก็เลยคิดว่าเวลานี้มโหสถสามีไปแล้วนี่ก็จะเอาปัญญาเข้ามาเป็นปัญญาของตนนี่ถ้าเรียกว่าเจ้าควายแก่อยากจะกินหญ้าอ่อน <c oughs> แต่ด้ว่าต่างคนต่างก็ไม่บอกกันต่างคิดไม่ในใจ ว่เราต้องการจะหาทางใดทางหนึ่งเอานางอมอ น, นี้มาเป็นพ ญ, ญายได้ต่างคนต่างก็ส่งสิ่งของไปให้นามอมเพื่อขอความรักนี่เราซื้อความรักด้วยวัตถุลูกหลานท่นหลายถ้าเป็นสตรีจําไว้ถ้าความรักที่เราจะเกิดขึ้นได้ให้มันเกิดขึ้นจากอุดมการณ์ของใจจริงๆ อย่าถือวัตถุเป็นสําคัญถ้าคนเขาขอความรักกราด้วยวัตถุครือซื้อความรักรด้วยวัตถุเขาก็จะคิดว่าเราเป็นวัตถุที่ไร้ค่ายอย่างหนึ่งเมื่อไม่นานนักเกิดความเบื่อนหน่ายเขาก็จะท้อทิ้งไปนี่คนที่หลงอยู่ในลาบสกาละคือของรังวัลต้องช้ำใจกันมากเท่าค่าตัวตายก็มีมาก ฉะนั้นคติข้อนี้ขมันดาลูกหลานนั้นหลายจ้องจำไว้เมืม่อนาอ ม, ม, ม, ม, มนิรั์สิ่งของจากบัณฑิตทั้งสี่ยิ่งได้คิดว่าเราจะต้องทำให้อตาบ้าสี่คนนี้ให้ได้ความอายให้ได้คิดแล้วจะได้นัดให้มาให้คนละเวลา เมื่อต่างคนต่างเราส่งเครื่องรางวัลไปให้เงินบ้างทองบ้างแหวนเพชรบ้างจันเพชรบ้างทับสวงบ้างของที่มีราคามากๆเพราะคุณแก่อยากได้เมียสาว <c oughs> ออนนี้สหนับนาโมเราคิดจะแกมือว่านดีแล้วเจ้านี้คิดอิจฉาสัญญาเราจะทำร้ายเรา ถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็าจะต้องแก้มือให้เท่าทั้งสี่นี้แล้วความอายให้ได้านานๆจะได้นัดหมายให้อาจารย์นั่งสี่มาพบเป็นคนเวลาแต่ก็ไม่ได้บอกว่านัดใครไว้บ้ า, บางเป็นแต่เพียงบอกอาจารย์คนนี้ว่าเวลานั้นนะขอถ้าอาจารย์มาหาฉันอีกคนหนึ่งมาก็บอกเวลาโน้นนะ เพราะถ้าอาจารย์มหาชันเป็นอันว่ามันนางคิดแล้วจึงได้นัดหมายให้มากับคนเวลานาเนี่ยสาใช้ช่วยฉังกดหลุมขึ้นหลุมหนึ่งร้อมรู้ที่หลุมนั้นแล้วก็เอาจาระกับนา้าเทลงไปในหลุมแล้วทำกันดานจนปิดมาที่ปากหลุม ข้าวกระดานยนต์นี้ก็หมายความถ้าเหยียดลงไปมันหล่นพลุกโนะปกงปิดไว้ได้วยเสียลำแผนที่มีริมสลัดสองข้างแล้วก็พรวหลอกไม้ไปห้อยไว้ที่เรือนทำให้หน้าดูน่ารื่นรมน่ารื่นรมตั้งน้ำไว้ข้างนะตั้งน้าไว้ข้างแผ่นกระดานแผ่นนั้นด้วยพอเวลาค่ำลง เจ้าเท่าเสนกทำลายไหลยีย่เมฆแต่งตัวสรู้วกหลายตั้งใจจะไปหาหนามอนตามนัดคิดว่าวันนี้แน่แล้วมีหวังแล้วนามอนต้องตกเป็นพญญาของเราแน่มเมื่อเสร็จแล้วก็ไปหาหนามอนนามอนทำเป็นใจดีถ้าคนดีใจ ไม่เห็นท่านอาจารย์เสียนกมาชนิดพูดว่าไหมนี่ท่านอาจารย์มาตรงเวลาจริงนะดีจริงๆไม่ผิดนัดไม่ผิดหมายยามนี้ที่ที่รักกันจริงอาจารย์เสียนกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็พูดว่าไอ้เรื่องเวลาที่นัดกัเธอฉันไปตรงเวลาเสมอเวลาที่นัดไว้มันก็ช่างช้าจริงๆเล แต่ความจริงฉันอยากจะมาก่อนก ว, ว่านี้เพาะอยากจะมาก่อนกำหนดแต่ถ้าว่าเพื่อสัจจะเกรงว่าเธอจะไม่ปลอดหรือว่าอาจจะไม่เป็นที่ปลอดสนหรบคนเพราะว่าการนัดหมายของเธอเธอย่อมมีเวลากาหนดนัดหมายเพราะความปลอดภยัยเฉนั้นเลยอดใจไว้ไม่ยอมมาก่อนเวลา พอถึงเวลาก็รีบมาทันทีนินับว่าเป็นบุญของพี่สนี่อะไรที่เธอไม่รังเกียดโอ้โหความจริงจะบอกว่าเป็นบุญของตาสินี่อะไรที่หลานไม่รังเกียจนิยังบอกเป็นบุญของพี่สนิ่อะไรฟังแล้วมันน่าเสียเซียนไหมที่บรรดาเจ้าเท่าหัวงูไม่รู้สึกตน สำหรัน บ, บนามมอนก็รู้สึกมันไสเต็มทนแต่ก็ทำผืนเป็นยิ้มนะครับพุณว่าวันนี้อาจารย์มาตามนัดก็ต้องพักพรหลับนอนที่นี่ก่อนที่จะนอนใครจะขอใครจะขอเชิญท่านไปอาบน้ำสิก่อนจะได้นอนสบายเชิญที่จะแขเชิญทางนี้ใหม่อาจารย์ดีใจ วันนี้ได้กกสาวสวยรุ่นหลานแล้วนางก็ชี้ทางให้ได้อาจารย์เสียนกพร้อมก็เดินตามไปด้วยนางให้อาจารย์เสียนกเดินหน้าแต่ว่านางตามหลังเพราทราบดาวประเดียวทถก็หล่นน้ึ้นแน่อาจารย์เสียนกเดินไปเหยียบแผ่นกระดานที่นามบอนทำเพื่อจะตักน้ำรดให้ นามอญเดินเลี้ยงกระดานหกไปที่เรียกว่ากระดานกลที่เรีกากระดานหกได้อาจารย์เส้นนกเดินไปข้างหน้าตุ่มนาเดินไปข้างหลังตุ่มเพื่อจะอาบน้ำให้แล้วพออระยศตามมนแล้วก็นางก็เหยียบแผ่นกระดานคําว่าแผ่นกระดานยนต์คือกระดันหกที่ทําสลัดไว้ทอดสลัดออกกระดานก็กระดกเส้นนกก็ตกไปในหลุมมุชาระ นางนึกว่าเสร็จเป็นหนึ่งละอย่างอีกสามประเดี๋ยวเถอะประเดี๋ยวเถอะเยือมาอีกสามเวลานัดหมายขั้นต่อไปก็เป็นเวลาผ่านไปประมาณสามชั่วโมงถึงเวลานัดหมายของอาจารย์คนที่สองคือปุกุศะท่านปุกุษาก็มาตามนัดแต่ความจริงทั้งสามคนตา่างคนต่างไม่รู้กัน ทางคนต่างถือว่าเป็นความลับเพราะว่าจะถือว่าได้กินหมูชิ้นมันใช่นี่แล้วก็ตกลงไปในหลุมคูดตามกุลอมายข้านางเสร็จไปอีกหนึ่งยังเหลือดีสองนางคิดอย่างสนุกใจวันประเสริไปสองละเหลืออีกสองตอนนี้ว่าจงขี้หมด เมื่ออาจารย์ภู菩萨ถูกไปก็ปก็แทรกเข่งกับอาจารย์เสียนกอย่างแรงเขายินถามว่าใความตกใจว่าเอ้ยอันนี้มันผีและคนในนั้นมันมืดมองไม่เห็นกันอาจารย์เสียนกก บ, บอกว่าเราคืออาจารย์เสียนก응ราชบรรดิตในราชสำนักนี่แกปินงไข่โดดโลงมาทําไมมาทับฉันเนี่ย ทานอาจารย์ปูกรสารบก็เอาโทรพีโตเลยนี่ท่าอาจารย์เองหรือผมปูกรสารับไหมเสียท่าอินโหนซะแล้วถ้ามีอะไรดีกันเราต่อไปก็ถึงคราวข้อจารยการมิ่ง่านอาจารย์เทเทวินก็ลงแบบนั้นจะเล่าไปงวยะว่เปล่าตกไปในลุมจาระตามอุบายของนาง ก็นี่เหลือไวลาอีกหนึ่งนาทีพอไหมให้เพียพอเป็นว่าบัณฑิตสี่คนนี่ไม่ใช่บัณฑิตแล้วเป็นผานแล้วโง่บัณฑิตก็เป็นคนฉลาดนี่โง่แล้วบัณฑิตสี่คนมันลงไปพกกันในหลุมโคตรซึ่งลึกขนาดท้องโอโหจมลงไปขนาดแค่ท้องขึ้นตัวถ้าหลุมนั้นมิดหัวเนะี่ แต่วจาระนนครึ่งตัวท่วงกันมาจึงด้องถามว่านี่เราจะทำอยางไรดีมันเป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้าอย่างยิ่งครั้นแย่ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ไอ้ปากหลุมก็อยู่สูงมากแล้วเขาก็ปิดเสด้วยทั้งสี่คนก็อยู่ในหลุมวจาระตลอดคืนชื่นใจแล้วมรนด่าลูกหลานทั้งหลายและบรัดาญาติโยมพุทธบริษัท มองดูเวลามันก็หมดไปแล้วตอนนี้ไปก็ขอหยุดสิเพราะว่าหมดเวลานะวันนี้ก็ขอลาก่อนฟังดูต่อไปว่าเจ้าเท่าสารพัดพิจอมทรชนคนผ่าประเภทนี้เขาจะได้รับผลแห่งกรรมที่กขาทำาชวงวันนี้เป็นไปนการใดว่าวันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผ ล, ผล จึงมีเด็ลูกลและตละลูกหลานทุกคนสวัสดี